พิจารณาทุกเจ้าอย่เงเสียหายอย่างผมอยากจะพูดอย่างแสนห้วงเห่าบอกพระเจ้าออกบสถนี้เพราะอิจาฉาผู้อื่นน้อยใจที่ราชบัลลังก์นี้ต้องถูกยกให้ผู้อื่นเพรามาลแล้วผมรู้สึกตลกใจและเป็นหนงสือที่พิมพ์แพร่หลายด้วยเป็นภาษาอังกฤษเหตุที่สําคัญมากที่ทางพระเจ้าท่านออกโบสถนั้นคือความช่างสังเกตของท่าน พระเจ้าก็เหมือนกับเราท่านท่านท้ ง, งหลายสนุกเพลิดเพลินเสพสุขไปวันวันหนึ่งเพราะโอกาสสูงกว่าเราท่านไดยซ้ำไปแม้สมัยนั้นไม่มีทีวีไม่มีโรงหนังไม่มีอะไรแต่มีเรื่องพิเศษสุขเป็นมากแต่พระเจ้าท่านท่านเป็นคนช่างสังเกตเมื่อท่านที่ออกเมื่อท่านออกจากพระชวังครั้งแรกไปเห็นเทวทูตที่เรียกว่าเทวทูตนั้น หมายถึงว่าสัญญาณบางกางที่สแสดงออกถึงเรื่องเกิดแก่จะตายเรืเ่องที่จะออกบวชจะเรื่องแกลกมากท่านไม่ได้ถามถึงตัวเองท่านไปอ่านในพระสูตรจะพบว่าเมื่อท่านเห็นคนแก่คนเกิดคนแก่จะเป็นตายท่านถามถึงพ่อของท่านก่อนถามว่าพ่อต้องเป็นอย่งนี้ด้วยไหมแล้วก็ถามถึงพิงนพาสัญญางท่านคือท่านรักสัญญาณท่านมาก แล้วถามถึงรูปด้วยครับแล้วจริงถามถึงตัวเองนายนนะก็บอกว่าไม่มีใครค้นสิ่งนี้ไปกด้เจ้าชายก็เลยเงียบไม่พูดกับใครนิ่งคุ้มคิดหาหนทางที่จะพ้นจากปัญหาอหไอนี้แล้วคราวที่ทาน อ, อกบวชนั้นพวกอัรฉริยาจารย์เขียนให้เลงเครือ ง, งไปเขียนว่าเขียนให้โรแมนติดขพเจ้าพระเอก ขี่มาข้ามกาแพงนี้ลูกนี้ไม่ออกบัวนี่เเรื่องไม่จริงครับไปอ่านในวสูจนจะพบว่าพระพุทธเจ้าท่านไปต่อหน้าท่านไปต่อหน้าอย่างนี้เพราะท่านเชื่อว่าท่านท่านขืนอยู่โอกาสที่ท่านจะศึกษาให้รู้แจง้งหลุดพ้นจากความทุกข์ยากนี้ก็ไม่มีเมื่อไม่มีแล้วโอกาสที่ทานจะช่วยลูกช่วยภริยาช่วยพ่อช่วย ยาตท่านนั้นก็ไม่มีนั้นท่านหุกตัดสินใจจากชีวิตของเจ้าชายผู้สู ง, งศักดิ์เสพสุดกานชีวิตทั้งยาจบผู้ยากร้ายและทนทุกข์ทรมารด้วยความยินดีแต่ท่านก็เร่ร่อนไปหาครูที่ดีที่สุดสมัยนั้นอุทกศกับอาราระเ็นลิสีอ่า สองอาจารย์นั้นเป็นอาจารย์ที่เลิอจุดในตัณหาสอนการเข้าฌานสมาบัติที่ทนพระเจ้าท่านทาจิตให้สงบถึงระดับชานสมาบัติชั้นสูงสุดเมื่อท่านทำได้แล้วครูท่านชวนที่เป็นครูเพราะว่าเสมอกจำตนพระเจ้าเป็นช่างขึ้นเกย์เป็นคิดว่าสิ่งนี้มักสร้างขึ้นท่านไม่ออกบอกเลยนี่ต้องถามแทกซ้อนขึ้นมาว่า ทำไมพ่าเจ้าได้รับควาสมสงบใจจงส่งไปทำไรทำไมทไม่นเปลี่ยนทางทำไ ม, ไมทมําเทมนเมนื่อยๆให้มับเรื่อยๆจนทั้งหมดทำไมแบบ น, นี้นะครับในเมืองเราเที่ลังกาที่พมากานั่งสมาธิกจะนั่งแบบอุตตะอาราระทั้งนัเนนคนจิตสงบซึ่งท่านเจ้าเคยหลง มันออกเป็นสิ่งประหลาดทีเดียวที่ดาบเซนิกพุทธจารเนี่ยได้ทำความเป็นพลาดทั้งที่เ จ, าาเจา้าท่านทำให้ดูแล้ว ท, ท่านพิสูจน์แล้วด้วยตัวท่านเองท่านเข้าฌานได้สงบลงนับเป็นชานสมาบัติชั้นสูงสุดในครั้งนะั้นเป็นเทคนิคของการฝึกจิชั้นเลิศได้รับความสงบเยือกเย็นตลอดเวลาที่ทา แต่เมื่อเส้นแรงของชานหรือเมื่อไม่ได้ทำมันกลับเป็นเรื่องธรรมดานี่ยพระเจ้าท่านเป็นคนสังเกตมากานเย น, นนี้แล้วนยท่านไม่หลับท่านปฏิเสธท่านก็ลาไปค้นหาในตัวเองใจความสำคันตอนนี้คือว่าท่านกระทำทางจิตจนถึงระดับสเตต่ชันสูงทางจิตใจม่ต้องคิดว่าทางนี้ลงมเหลย เป็นไปไม่ได้ความรู้สึกที่ตีกลับสัดเองไม่เกิดถ้าจะเ น, น้นทําลายเซนส์ออแกนิกเลยที่ได้ใช้เซนสสร้างความรู้สึกขึ้นในใจเองไม่เห้มันไปไม่ได้ความคิดตีกลับของเจ้าถ้าเชั้นทําลายมันทิ้หมดท่านจะเริ่มทรมานตนจะเริ่มทรมานให้มันด้านไปเลยเพื่อจะได้ไม่คิดเล็กอื่เพื่อจะได้ไม่ทุกข์ทรมานนั่นจุดล้มเลยอ ตอนทุกขามาประมาณหกปีมาเฉลียวใจขึ้นคิดว่าร่างกายที่อ่อนแอไม่มีทางเลยที่จะดูอะไรได้ปีปัญญาไม่อาจอยู่ในร่างกายที่อ่อนแอ ท, ที่โรคนั้นอันนี้เป็นความคิดช่วงนั้นของพระเจ้านะครับดาวไปยึดถึงเป็นข้อสรุปทีนีพระเจ้ากระหน่ำเลี้ยรอนมิมทีาใต้ต้นโค คือเมืตอนหัวค่ำเนี่ยท่านึงเป็นบุติชนเพราความคิดความโรคความโกรธความอาลัยคิดถึงพ่อถึงแม่ยังมีอยู่แ ล, ล้วเกือกจนเลิกเครื่องถอนปณิธานที่เม้งจะไปถึงที่สุดทุกในหลุกปนนั่นเองรำรำจะกลับบ้านเ น, นี้แต่เม้งจะท่านเป็นคนเชืงเชื่องเกศและเป็นคน จ, จริงจริก็ตั้งปณิธานที่จะ เอาให้ที่สุดทุกข์ถึงถ้าไม่เช่นนั้นก็ตายมันก็เลยเมื่อพลังชีวิตของท่านขึ้นมาถึงระดับตายนะครตรงนี้เป็นจุดสําคัญมากมั่งกระโดดนีข้าศึกมาเรื่อยต่อแฝ้มาเลือยหนีเราไม่อยากตายเราดีทีนี้เมื่อตั้งหน้าซู้กไปในนี้ให้พลังชีวิตมันก็ชาร์จขึ้นมาเสมอตายชีวิตมีราคาเท่ากับความตาย ตรงนี้เขาเป็นจุดสำคัญงูเจ้าตั้งลาคาร์ของตายให้แก่ชีวิตท่านพูดกับตัวเองอันนี้คำภีร์ว่านี่ครับท่าไม่ได้อส อ, อนหรือแนะนําให้ติดคำพีแต่เท่าที่เราดูจากหลักฐานในคำภีรท่านพูดว่าถ้าไม่รู้แจ้งคืนนี้ไม่หลุดพ้นให้เลือดเนื้อกระดูกให้มันปนตรงนี้ต่านเจ้าก็รู้ ท่านก็เริ่มเห็นทุกสิ่งตามที่เป็นจริงไม่ใช่อยากเห็นตามที่อยากให้เป็นเห็นทุกสิ่งตามที่เป็นจริงปัญญาท่านแรกครับพเรยยะถาภูตยานยะถาก็ตามเป็นตามที่มันเป็นภูตาก็แปลว่าเป็นค้าภูตานี่ก็คือคำว่าพูด กิจชนชัยกับคำพูดถี ย, ยถาภูตยานก็แปลว่าญาณที่เห็นตามที่เป็นจริงและเป็นเองญาณ น, นี้เป็นญาณลําดับแรกกับที่จะเปลี่ยนชีวิตจิตใจของผู้ปฏิบัติหรือนักปฏิบัติธรรมลรัปฏิบัติธรรมทั้งหลายต่อให้รักษาศีลมามากน้อยแค่ไหนก็ยังไม่เห็นยถาภูตที่สภาวะซึ่งเป็นเอง ใจิตใจไม่เปลี่ยนแม้คนจะมีศีลสูงมากก็ใด้รู้บทเรียนหายสิหลายร้อยปีก็ไดไ้ไม่เห็นยถาภูตัพนะ ค, คือไม่เห็นสภาวะที่เป็นเองอาจจะฆ่าคนก็ได้อาจจะมีความละโมบอย่างแรงกล้า ก, ก็ได้ดังนั้นเองในการเจริญสติ เราจะเรติเพื่อจะไปถึงการเห็นสภาวะซึ่งเป็นเองในตัวการไปเลื่นดับนี้ครจะเปลี่ยนแปลงชีวิตให้พลิกจากชีวิตที่จงทนทุกข์ทรมานไร้ที่พึ่งเ้าทางออกไม่พบจนกระท่งพบทางออกในตัวมันเองข้อมาใดที่เห็นตามที่เป็นจริงเห็นสภาวะซึ่งเป็นเองในตัวมัน ก็จะเข้าใจแจ้งแจ้งว่าสภาพที่เรียนนักตาเป็นยังไงวันนี้ตอนช่วงต้นผมได้กล่าวถึงอุบายในการสอบธรรมะเพื่อคับค้ามอปีศเก่าของสังคมเยนเดัน์นั้นเร่ยนิศจรทุกขังนักการเพียความคิดเท่านั้นครับแำพังแค่นี้ไม่พอพุทธศานาเท่าที่คิดคิดนึกนนีน้ไม่พอดันั้นจะต้องกระทำให้ เ, เกิดการกระจัดแจ้งต่อความไม่เที่ยทุกและความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนมายความว่าต้องเห็นมันจริงๆไม่ใช่ น, นิ่งเมื่อใดที่เราเดินจมโครมเครื่อนมือรู้สึกตัวไปเรื่อยๆมันจะเข้าถึงสภาวะซึ่งเป็นเองซึ่งไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนมันใครๆเนี่ยสอนหรือบอกเราไม่ได้ ธรรมะนี้เป็นเรื่องกจักเฉพาะตัวทนั้นส่วนสิ่งที่มาเล่ากันสู่ฟังกันฟังไม่ใช่ธรรมะมีคนจำนวนมากเขาจะติดต่อคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่าคําสอนของพระเจ้านี้เป็นสัจธรรมเป็นสัจจะอนนี้เขาจะติดคําสอนของพระเจ้านี้ไม่ใช่สัจจะแต่คําสอนของเจ้านะครับเป็นคําอธิบายสัจจะ คำอธิบายสัจจะนี้ไม่ใช่สัจจะคำสอนพระเจ้าเป็นคำอธิบายสัจจะซึ่งอธิบายไม่ได้ซึ่งผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะรู้เฉพาะตัวสนะ่วนพระพุทธเจ้าท่านพยายามอธิบายนั้นเป็นความเมตตากรุณาขององค์ท่านท่านพยายามที่อธิบายให้ผู้ฟังได้รับทราบสิ่งสิ่งที่เรียกธรรมะ เมื่อผู้ฟังได้รับทราบแล้วก็ฟังรับทราบแค่ระดับสมมุติและดังนั้นถ้าใครไม่ก้าวต่อไปสู่ภาคปฏิบัติก็เป็นอนุคว้าเอาคําอธิบายของสัจจคือตัวสัจจคือถา้าไปคว้าอะไรที่อาหารว่าเป็นอาหารหรือไปคว้าวสลากยาว่าเป็นยานตัวเป็นเช่นั้นแล้วจะมโนโทษธรรมะไม่ได้เพราะว่าปฏิบัติธรรมะมันเท่าไหร่ ความเทศเท่าไรรักษาศีลเท่าไรก็ไม่เห็นพ้นทุกข์ละความโลภ ก, ก็ไม่ได้อะไรอย่างนี้ต้นครับในสุดนี้นะครับผมส ร, รุปสั้นๆนในการศึกษาธรรมะก็คือศึกษาตัวเอง ในการศึกษาตัวเองต้องกระทำให้ตัวเองเคลื่อนไหวรู้สึกตัวจนกระทั่งเห็นตัวเองซึ่งไม่ใช่ตัวเองเมื่อเห็นตัวเองซึ่งไม่ใช่ตัวเองแล้วความเข้าใจจากความจำเหมือตำราจะแปลงไปสู่ความเข้าใจจริงซึ่งไม่ขึ้นกับตำราและผู้ที่เห็นไม่ตรงตัวเองเท่นั้นจะพูดได้วยเท่าของตัว ไม่ใช่ถ้อยคําของสมาผู้ที่เห็นและพูดผู้นั้นคิอครูผู้นั้นคือพุท ธ, ธะและดังนั้นเองครับกานที่เราท่องจําคําสอนของพระเจ้าโดยไม่เห็นเองกับการว่าเราเอาคําสอนของพระเจ้านั้นมัดิดบังธรรมะที่แท้จริงที่สุดท้ายนี้นคีค ผมค่จะให้ทุกคนเนี้ยใส่ใจในเรื่องภาคปฏิบัติให้มากธรรมะนี้ฟังให้หนอ้อยแต่ฟังให้ชัดปฏิบัติให้มากรู้สึกตัวให้มากพูดให้หนอ้อยในช่วงต้นนี้นะะีมครับช่วงเที่เหลือนี้ผมคิดว่าให้พวกเราแยกย้ายกันไปปฏิบัติอเดินจงกรมนั่งจนกว่าจะง่วงก็กลับไปนอน ก็ช่วงกลางวันนี้เราร้อนมากแล้วก็เหนื่อยง่ายช่วงกลางคืนมีโอกาสดีเดินหน้าเดินสว่างเป็นผีจิตใจเราก็ชื่นบานง่ายจิตใจที่ชื่นบานง่ายนี่เองสีิปัญญานี่จะว่องไวดังนั้นอย่าให้เวลาร่วงเงายจิตใจแยกย้ายกันไปไปหาที่เดินจงกรมดูจิตติใจ